คุณพ่อและคุณแม่นี้เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดของพวกเราเพราะว่าถ้าไม่มีคุณพ่อไม่มีคุณแม่ก็จะไม่มีพวกเราพวกเราจึงเป็นหนี้บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่ต่อให้เราทดแทนบุญคุณท่านขนาดไหนก็ตาม แบกหามท่านไว้บนบาบนไหลให้ท่านปัสสวะอุจจาระถ่ายนศเราบนคนของท่านก็จะไม่มีวันหมดไปยกเว้นว่าเราเป็นผู้ที่สามารถสอนหรือทำให้พ่อให้แม่ได้บรรลุเป็นพระอริย บ, บคุคคล ได้เป็นพระโสดาบันเพราะการได้เป็นพระโสดาบันนี้ก็จะเป็นการปิดการไปเกิดในอบายและภพชาติก็จะเหลือไม่เกินเจ็ดชาติพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านี่เป็นวิธีเดียวที่เราจะทดแทนบุญคุณของบิดามารดาให้หมดสิ้นไปได้ แต่ก่อนที่เราจะทําอย่างนี้ได้ตัวเราเองก็ต้องเป็นพระโสดาบันหรือเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้าก่อถึงจะมีปัญญาความรู้ความสามารถที่จะสอนให้ผู้อื่นได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได้เช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงตรัสรู้ เป็นพออระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพระ อ, องค์ก็ได้ทรงเริงยาณค้นหาพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จสวนโคตไปเจดวันหลังจากที่ทรงประสูค์เจ้าชายเสด็จทธัฐธราชภูมานด้วยพลานุภาพของพลังจิตของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สามารถติดต่อกับ จิตของพระพุทธมาดาซึ่งประทับอยู่บนสวรรค์ได้และสามารถสั่งสอนพระพุทธมาดาให้บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้นี่คือความความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่ไม่ทรงเลอพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระมาดา ห็นแม้ว่าพระมารดาจะได้เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ตามแต่พอพระองค์มีมีความสามารถที่จะติดต่อและสามารถอบรมสั่งสอนให้พุทธมารดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบัานได้พระองค์ก็ทรงขวนขวายค้นหาจนได้ค้นพบ และได้สั่งสอนจนพระพุทธมาดาได้บรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระราทบิดาพระพุทธเจ้าก็ทรงทดแทนบุญคุณด้วยการโปรดสั่งสอนให้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เจ็ดวันก่อนที่จะเสด็จสอนคดไปนี่คือเรื่องของการทดแทนบุญคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเรานี้เพียงแต่คอยเลี้ยงดูเบิดามารดาไม่ให้ท่านทุกข์ยากลำบากนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำที่ยิ่งใหญ่แล้วเพราะว่าเราคงจะทำกันได้ไม่มากไปกว่านี้แต่อย่างน้อยก็ขอให้เราเลี้ยงดูพ่อแม่ ท่านให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายอย่าให้ท่านอยู่ทุกข์ยากลาบากส่วนเราอยู่สุขสบายอย่าลืมบิดามารดาอย่าลืมพระคุณของบิดามารดาเพราะจะเป็นการกระทาที่เรียกว่าอากตัอยู่ไม่มีความกตันอยู่กะตะเวทีคือไม่รู้คุณของผู้มีพระคุณ ซึ่งจะทำให้จิตของเรานั้นต่ำกว่าเดรัจฉานไปเพราะแม้แต่เดรัจฉานเช่นสุนัขเขายังรู้จักเจ้าของเวลาเจ้าของกลับบ้านเขาจะวิ่งเข้าหากดิหางด้วยความดีอกดีใจฉันใดพวกเราก็ควรที่จะคำนึงถึงพระคุณของบิดามารดาอย่างสม่าเสมอ ยังมีธรรมเนียมที่หลังจากที่เรากราบพระแล้วก็ให้กราบพ่อกราบแม่ไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่ต่อหน้าหรือไม่ก็ตามให้เรากลาบพ่อแม่ทุกวันทุกเช้าทุกเยน็นและเวลากราบก็ไม่ได้กราบเฉยเฉยกราบแล้วก็ให้เราลึกถึงพระคุณอันยิงอันยิงย่งใหญ่ของพ่อแม่ ให้คิดว่าถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ให้กําเนิดเลี้ยงดูเรามาเราจะไม่เป็นอย่างที่เราเป็นอยู่ในทุกวันนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้ชีวิตของเราที่มีความวุ่นวายต่อการทำมาหากินต่อการแก้ปัญหาต่างๆก็จะทําให้เราลืมคิดถึงคุณพ่อคุณแม่ไปและจะ ไม่ได้ทำในสิ่งที่เราควรจะทำคือตอบแทนบุญคุณของคุณพ่อของคุณแม่นั่นเองอยิ่งในสมัยนี้เราสามารถติดต่อกันได้อย่างง่ายดายอย่างน้อยวันหนึ่งเราก็ควรที่จะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่สักครั้งหนึ่งไปไทยไปไถ่าถามสารทุกข์สุดินบถามว่าขาดแคลนอะไรขาดเหลืออะไรหรือเปล่า ต้องการให้ทำอะไรอย่าให้พ่อแม่โทรมาหาเรามาขอร้องให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นคนกตัญญูแล้วไม่ต้องรอให้พ่อแม่บอกต้องถามพ่อแม่อยู่เรื่อยๆว่าจะต้องการอะไรจะให้ทำอะไรถ้าเราทำได้เราก็จะเป็นคนดีเพราะพื้นฐานของขอ ง, ของการเป็นคนดี ก็คือความกรตันยูกระตวเวทีนี้เองถ้าผู้อรู้ว่าเรามีความกรตันยูผู้เขาก็จะไม่รังเกียจเขาจะชื่นชมยินดีกับการกระทำของเราและพร้อมที่จะให้ความสนับสนุนเวลาที่เราขาดแคลนตกทุกข์ได้ยากจะมีผู้มาคอยอุปถัมภ์เลี้ยงดูเราต่อ นี่คืออันิสงสมที่ได้รับจากการเป็นผู้มีความกตัญญูกตวเวทีดังนั้นขอให้เราคิดว่าการได้ทำบุญกับพ่อกับแม่นี้เท่ากับได้ทำบุญกับพระอรหันต์ทำกับพระพรหมเพราะพ่อแม่ของเรานี่เป็นเหมือนพระอรหันต์เป็นพระพรหมของลูกลูก ก่อนที่เราจะไปแสวงหาพระอารหันต์ที่นอกบ้านขอให้เราได้ทําบุญกับพระอารหันต์ในบ้านของเราก่อนถ้าเราลืมพระอารหันต์ในบ้านไปถ้าไปหาพระอารหันต์ที่นอกบ้านท่านก็จะบอกให้เรากลับมาหาพระอารหันต์ในบ้านเราก่อนเสมอเพราะความกตัญญูนี้เป็น การกระทำที่จำเป็นอย่างยิ่งเป็นรากฐานของความดีงามทั้งหลายถ้าเราไม่มีความกระตันอยู่เราจะไม่สามารถทำบุญรักษาศีลปฏิบัติธรรมให้จิตใจเจริญงอกงามให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้น วันนี้เป็นวันแม่พวกเราจึงมาทำบุญกันถ้าแม่ได้เสียไปแล้วหรือพ่อได้เสียไปแล้วบุญที่เราทำในวันนี้เราก็อุทิศไปให้กับทาได้ถ้าท่านยังอยู่หลังจากทำบุญนี้แล้วเราก็ต้องกลับไปทำบุญกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านถ้าวันนี้ไม่สะดวกก็ รอวันพรุ่งนี้หรือวันที่สะดวกก็ได้แต่ไม่ควรจะรอทาเพียงเฉพาะวันพ่อวันแม่เท่านั้นควรจะควรพยายามทาอยู่บ่อยๆทาให้มากๆแล้วเราจะได้บุญ ม, มากเราจะมีความสุขมากและเวลาที่พ่อแม่ตายไปแล้วเราจะได้ไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจมาเสียดายว่า ไม่ได้ทำอะไรให้กับพ่อกับแม่เลยที่ไม่ได้ทำก็พ่อลืมไปมัวแต่ยุ่งกับการทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาจนลืมเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ไปนี่คือความสำคัญของวันแม่ที่ทางรัฐบาลเห็นว่าควรจะจัดเพื่อที่จะได้เป็นการเตือนสติ ให้แก่ลูกๆทั้งหลายเพื่อจะได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่โดยเฉพาะในเวลาที่ท่านมีชีวิตอยู่อย่ามาทําตอนที่ท่านตายไปแล้วเพราะบุญที่อุทิศไปให้กับท่านนี้เป็นส่วนเล็กน้อยเท่านั้นไม่เหมือนกับบุญที่เราจะทําให้กับพ่อแม่ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่การ เลียงดูท่านก็เป็นการทําบุญอย่างหนึง่งการให้ความเคารพ ก, ก็เป็นการทําบุญอีกอย่างหนึง่งให้เราคิดว่าพ่อแม่ของเราเป็นพระอาลายของเราเวลาท่านพูดท่านสอนท่านว่าเราขอให้คิดว่าท่านกําลังสั่งสอนเราอย่าไปโกรธท่านอย่าไปสแสดงกิริยาอาการที่ไม่น่าดู อย่าไปโต้อตอบอย่าไปเถียงพ่อเถียงแม่แล้วยิ่งย่งยิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คืออย่าไปด่าพ่อด่าแม่หรือไปสั่งสอนพ่อแม่พ่อแม่เราจะสั่งสอนได้ก็ต่อเมื่อท่านขอร้องเราท่านเห็นว่าเรามีความรู้ความฉลาดหรือท่านต้องการปรึกษาอะไรเราจึงจะมีสิทธิ์ที่จะ สอนหรือบอกพ่อแม่ได้ถ้าพ่อแม่ไม่ได้ขอร้องเราไม่มีหน้าที่ไปสั่งสอนพ่อแม่เรามีแต่ฟังอย่างเดียวเราเป็นลูกเราต้องเป็นผู้รับฟังรับฟังด้วยความเคารพแล้วสิ่งที่ท่านสอนท่านดีที่เราปฏิบัติตามได้ก็ควรปฏิบัติไปแต่ถ้าเป็นคำสอนที่ไม่ดี เช่นให้ไปทำบาปไปยิงนกตกปลาไปเล่นการพนังไปดื่มโซรายาหมาเราก็ไม่ต้องไปทำแต่เราไม่ต้องไปเถียงไปบอกท่านเพียงแต่เรารับรู้ไว้ก็แล้วกันว่าท่านยังมีความหลงอยู่ท่านยังเห็นความผิดเป็นชอบอยู่แต่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปว่าหรือไปสอนพ่อสอนแม่ แต่เราการที่ไม่ทำตามคำสอนของพ่อแม่นี้ก็ไม่เป็นบาปแต่อย่างใดไม่เป็นความอากตัญญูแต่อย่างใดถ้าคำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ไม่ถูกต้องนี่คือการให้ความเคารพเป็นการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อีกอย่างหนึ่งทำให้พ่อแม่อย่าไปทำให้พ่อแม่ต้องทุกข์ใจกับเรา วิธีที่จะทำไม่ให้พ่อแม่ทุกใจกับเราก็คือเราต้องทำตัวให้เป็นคนดีนั่นเองเราต้องอย่าไปทำตัวเองให้เป็นคนสำ ม, ม, เเเมาลย์เทมาเช่นดื่มสุรายาเมาเที่ยวกลางคืนเล่นการพนันมีความเกียดคร้านคบคนชั่วเป็นมิตรนี่เป็นการกระทำที่จะทำให้พ่อแม่ เศร้าโศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่มีใครจะรักเราเท่ากับพ่อแม่ของเราและเมื่อพ่อแม่ของเราเห็นเรากําลังทําตัวที่จะนําความเสียหายมาให้กับตัวเราท่านก็อดที่จะคอยว่ากล่าวตักเตือนคอยห้ามไม่ได้ดังนั้นเวลาที่ท่านห้ามว่ากล่าวตักเตือนก็ขอให้ น้องเอาเข้ามาพิจารณาแล้วถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีก็พยายามทําไปเพราะเมื่อเราทําได้แล้วชีวิตของเราจะได้ไม่ตกต่ำชีวิตของเราจะได้เจริญรุ่งเรืองเช่นพ่อแม่บอกให้ตั้งใจเรียนหนังสืออย่าเที่ยวอย่าเล่นให้ตั้งใจเรียนหนังสือทําการบ้าง ไปโรงเรียนกลับมาบ้านก็ให้ช่วยทำงานที่บ้านช่วยกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างชามซักเสือ้อผ้าทำอะไรที่จะแบ่งเปล่าภาระของพ่อของแม่ได้ก็ขอให้ทำไปเพราะเราทำอะไรแล้วเราก็จะเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเราจะ สามารถทำอะไรต่างๆได้ถ้าเราไม่ทำเลยเช่นไม่ช่วยพ่อแม่ล้างถ้วยล้างชาทํากับข้าวกับปลาอาหารเราก็จะไม่รู้จักวิธีล้างถ้วยล้างชาทํากับข้าวกับปลาอาหารถ้าเราไม่ช่วยพ่อแม่ทํามาค้าขายถ้าที่บ้านเราเป็นร้านขายของถ้าเราช่วยพ่อแม่ค้าขาย เราก็จะได้ความรู้จากการค้าขายต่อไปถ้าเราไม่ห า, หางานทําไม่ได้เราก็จะมีอาชีพที่เราทําเองได้ไม่ต้องไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้นี่คือผลดีที่จะเกิดขึ้นจากการขวนขวายจากการมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านทําอย่างนี้ก็จะทําให้พ่อแม่มีความสุข เวลาตายท่านก็จะตายอย่างนอนตาหลับจะไม่มาห่วงไม่กังวลกับลูกๆว่าจะอยู่ได้หรือไม่จะไปเอาตัวรอดได้หรือไม่เพราะการกระทำของเรานั้นได้บอกแล้วว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้นี่คือเรื่องของการตอบแทนบุญคุณของพ่อของแม่ ขอให้เราพยายามทำอยู่ไปเรื่อยๆจนวันตาย<ม>แล้วเราจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความก้าวหน้า<ม>พ่อแม่ก็จะมีความสุขครอบครัวก็จะอยู่กันอย่างร่มเย็นกนสุข<ม>เพราะทุกคนทำความดีกันทุกคนคอยดูแลกันคอยช่วยเหลือกัน นี่คือเหตุของการอยู่การอยากร่มเย็นเป็นสุขอย่าให้ความอยากของเราเข้ามาทําลายการประพฤติการกระทําที่ดีถ้ามีความอยากแล้วเรามักจะไม่มีเวลาที่จะมาทําอะไรให้กับคนอื่นเมื่อเราไม่ทําอะไรให้กับคนอื่นแทนที่เราจะมีความสุขเรากลับจะมีความทุกข์ เพราะการกระทำอะไรด้วยความอยากนี้ทำไปมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีวันพออยากจะทำอยู่เรื่อยๆอยากจะทำให้มากขึ้นไปก็จะทำให้เราไม่มีเวลาที่จะมาทำความดีกันไม่มีเวลาที่จะมาทำบุญไม่มีเวลาที่จะมารักษาศีลไม่มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรม มาปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่เข้าหาพระพุทธศาสนาไม่ทำตามคำสอนของพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากวัตะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาพัดพาจากสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราชอบ พัดพากจากบุคคลต่างๆที่เรารักที่เราชอบชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราพยายามตัดความอยากต่างๆให้ออกไปจากใจให้ทำแต่สิ่งที่จำเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นอย่าไปทำเช่นอยากเที่ยวอยากเล่นอยากเสพสุรายาเมาอย่างนี้เป็นการกระทาที่ ไม่เกิดประโยชน์มีแต่จะชุดลากให้เราเข้าสู่กองทุกข์ให้เข้าสู่การเวียนว่ายตายเกิดให้เราทําความดีดีกว่าให้เราทําบุญทําบุญกับพ่อกับแม่แล้วก็มาทําบุญกับพระกับวัดกับศาสนาแล้วเราจะได้รักษาศีลได้แล้วเราจะได้มีเวลามาฟังเทศน์ฟังธรร พอเราได้ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะได้แผนที่ที่จะบอกทางแห่งการดำเนินชีวิตที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายสิ่งเหล่านี้คือความเจริญความสุขความทุกข์หรือความเสื่อมเสียนี้ไม่ได้เกิดจากใคร แต่เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาและทางใจทางใจก็คือความคิดทางวาจาก็คือการพูดทางกายก็คือการกระทำถ้าเราคิดไม่ดีเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีเช่นถ้าเราโลภอยากได้อะไรเราก็จะพูดโกหกเพื่อที่จะให้สิ่งที่เราได้ให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้ หรือไม่เช่นนั้นเราก็จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิด ต, ตัวเวณี<ม>เพื่อที่จะให้เราได้ในสิ่งที่เราอยากได้แต่ถ้าเราคิดดีคิดทำบุญคิดไม่ทำบาปเราก็จะไม่ฆ่าสัตว์เราไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ต, ตัวเณีไม่พูดปดไม่เสพจสรายามา เราจะทำแต่ความดีทำประโยชน์ให้กับคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นดูแลคนอื่นเราทำอย่างนี้ผลดีก็จะตามมาผลดีและชั่วนั้นอยู่ที่ตัวเราเองไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตน ไม่ว่าจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นชีวิตของพวกเราทุกวันนี้ที่มีความแตกต่างกันในฐานะการเงินการทองในฐานะของสติปัญญาความรู้ความสามารถในรูปร่างหน้าตาก็เป็นเพราะว่าเราได้ทำบุญทำบาปมาในอดีตไม่เท่ากันนั่นเอง ถ้าเราทำบุญมากชีวิตในปัจจุบันนี้ก็จะดีมากดีถ้าเราทำบาปมากเราก็จะชีวิตของเราก็จะตกต่ำมากเนี่ยทุกคนไม่เกิดมาแล้วไม่เหมือนกันแม้แต่จะมาเกิดในครอบครัวเดียวกันเป็นลูกของพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจที่มาได้ร่างกายนี้ไม่ได้มาจากพ่อจากแม่ มาจากพบก่อนชาติก่อนแล้วมากับบุญกับบาปที่ได้ทำเอาไว้บุญกับบาปนี้ไม่หายไปไหนบุญกับบาปนี้จะติดไปกับใจติดเป็นนิสัยไปบุญก็เป็นนิสัยดีบาปก็เป็นนิสัยไม่ดีพอมาเกิดแล้วก็ไม่ต้องมีคนสอนมันจะทําของมันไปเองเพราะมันติดมาเป็นนิสัย เช่นคนชอบกินเหล้าก็ไม่ต้องสอนถึงเวลามีโอกาสก็จะกินคนที่ชอบทำบุญก็ไม่ต้องสอนเมื่อถึงเวลาก็จะทำเมื่อมีโอกาสก็จะทำคนที่ชอบบวชก็เหมือนกันพอถึงเวลามีโอกาสก็จะออกบวชนี่เป็นเรื่องของนิสัยที่เราได้ปลูกฝังมาในอดีตถ้าเราปลูกฝังนิสัยที่ดีมา เราก็จะได้มาทำความดีต่อไปถ้าเราปลูกฝังนิสัยที่ไม่ดีมาเราก็จะทำความไม่ดีต่อไปเมื่อทำแล้วผลก็จะตามมาทาดีก็จะได้ดีทาไม่ได้ทาไม่ดีก็จะได้แต่ความเสื่อมเสียได้แต่ความทุกข์ศาสนาพูดถึงสอนให้เรา ยึดตัวเราเป็นที่พึ่ง ah อัตาฮิคัตโนนาโถตนที่เป็นที่พึ่งของตนเพราะตอนเป็นผู้ผลิตทั้งความสุขและความทุกข์ผลิตด้วยความคิดด้วยการพูดด้วยการกระทําทางวาจาด้วยทางการกระทําทางกายนี่คือผลที่จะตามมาเกิดจากการกระทําของเราไม่ได้เกิดจากใคร ผูอ่มีหน้าที่เพียงแต่บอกทางเราเช่นเราไม่รู้ทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญก็มีพระพุทธเจ้ามาสอนมาบอกเราทางที่ไปสู่ความทุกข์ความหายนะพระพุทธเจ้าก็ทรงบอกเราเช่นทางที่ไปสู่ความหายนะก็คืออบายามุขทั้งหลายการทําบาป ท, ทั้งหลายส่วนทางที่จะไปสู่ความสุขความเจริญ ก็คือการกระทำความดีทั้งหลายเช่นการ ม, มีความกตัญญูกตวเวทีการเสียสละการทำทานการรักษาศีลการฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญปัญญาอันนี้เป็นทางที่จะพาให้เราไปสู่ความสุขและความเจริญทั้งในปัจจุบันและ ในพพชาติที่จะตามมาต่อไปไม่มีใครทำให้เราได้ไม่มีใครที่จะมายับยั้งการผลของการกระทำของเราได้เมื่อเราทำแล้วเมื่อถึงเวลาผลนั้นก็จะต้องปรากฏขึ้นมาดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อในกฎแห่งกรรมแล้วพยายามทำความดี อย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาทำในวันนี้เนื่องจากเป็นวันแม่ก็อยากจะมาทำความดีกลับไปบ้างก็ขอให้เราไปกราบพ่อกัาบแม่แล้วก็พยายามกราบทุกวันพยายามทำความดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกวันแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าจะมีแต่ความสุขอย่างเดียว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 โดยทั่วหน้าการเธอ